ก็ความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านทุกฝัง่งทั้งหลายเชยงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในสติปัฏฐานในสูตรมัชฌิมานิกายมูลปัญ น, นาทซึ่งเป็นคัมภีร์มัชฌิมานิกายเล่มแรก บังก่อนได้พูดถึงเรื่องของนิวรณ์ทั้ง5้าประการส่รงสอนให้มองที่นิวรณ์ซึ่งปรากฏภายในจิตในขันันั้นนั้นและถ้านิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งปรากฏก็ให้สืบสาวว่านิวรณ์ข้อนั้นๆเมื่อก่อนยังไม่เกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยเหตุใดก็ให้รู้ชัดเจนซึ่งสาเหตุเกิดของนิวรณ์ในข้อนั้นๆ จากนั้นก็รู้วิธีดับนิวรวันนิวรณแต่ละข้อที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยสามารถจะดับได้โดยประการใดก็ให้รู้ชัดถึงวิธีการเหล่านั้นทีนี้เมื่อดับไปแล้วเนี่ยเทํำยังไงจะไม่กำเริบขึ้นมาอีกก็ให้รู้ชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นแต่ว่าในตอนสุดท้ายเนี่ยจะสรุป แบบเดียวกับพวกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานและก็จิตานุปัสสนาสติปัฏฐานเพียงเปลี่ยนเาจากการเวทนาจิตมาเป็นธรรมะกรักสั่งว่าด้วยเหตุดังพันนามานี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรม ในธรรมทั้งภายในทางภายนอกบ้างพิจารณาเห็นความธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในธรรมบ้างอยู่เพราะจากนั้นก็จะมองเห็นนะฮะว่ารธรรมทั้งหลายแต่ว่าในที่นี้ก็เน้นไปที่พวกนิวรณ์ ซึ่งตัวนิวรณ์เองก็เหตุเกิดของนิวรณ์เนี่ยมันเป็นอกุศลทั้งคู่ทีนี้อาการดับนิวรณ์ก็เหตุได้เกิดความดับนิวรณ์เนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มของนิโรธกับมรรคแต่ทั้งหมดก็คือกระบวนการของเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของธรรมะนั้นๆเพราะในที่สุดมันจะมีความรู้สึกว่า ธรรมะเหล่านี้มันก็เพียงสักว่าเป็นเครื่องอาศัยระลึกเท่านั้นก็ไม่กอ่อให้เกิดตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ถือหมายความว่าแต่ละข้อเนี่ยไม่นำมาซึ่งตัณหาและทิฏฐิที่เกิดขึ้นภายในใจพอจะถึงจุดหนึ่งก็จะไม่ยึดถือมันในอะไรทั้งนั้น ตอนนี้ก็เป็นการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมแล้วก็พึงเข้าใจว่าเขาอื่นๆก็ทรงใช้ใตำหนองเดียวกันในตอนต่อไปก็เรียกว่าขันทะปป ะ, ะคือหมวดที่ว่าในขันห้าขันห้าในแง่ของความจริงมันก็เป็นชีวิตของเราทั้งชีวิตอ่ะแล้วก็สบรวมอยู่ไว้ที่ขันทั้งห้าประการ เพราะเวลามองในรูปของขันเนี่ยเราจะเห็นว่าขันมันก็มีแค่ห้าแต่ว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกเนี่ยมันมีขันห้าเป็นหลักบางพวกก็มีขันหนึ่งบางพวกก็มีขันสี่ขันหนึ่งก็มีประเภทเดียวคืออาศันยีสัตหรือเราเรียวกว่าพรหมลูกฟักขันสี่ก็มีพวกเดียวเหมือนกัน ก็คือพวกอรูปประพรมนอกจากนั้นก็ถือว่ามีขันห้าด้วยกันคันห้าเราจะเห็นว่ากล่าวโดยสรุปก็คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมกับสิ่งที่เป็นนามธรรมแล้วก็เป็นตัวความทุกข์แต่ว่าที่เกิดความทุกข์เนี่ยมันเกิดตามสภาวะของมัน สภาวะที่เราถือเป็นทุกข์ก็คือเฉพาะเกิดแก่ตายต่ความเกิดแก่ตายเนี่ยมันเกิดมาจากเหตุปัจจัยต่างๆบางภายในแล้วก็ภายนอกแล้วก็มีอะไรดำรงอยู่ในสภาพเดิมเกิดปั๊บก็เลื่อนไหลไปปุ๊บเลยก็ในขณะที่ดำรงอยู่เนี่ย มันจะถูกการแผดเผาด้วยปัจจัยต่างๆแล้วก็ให้เกิดความเร่าร้อนตามปกติเราจะพูดในความทุกข์ในกรณีที่เร่าร้อนเราไม่ได้มองถึงว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยนี่ที่จริงมันก็เป็นทุกข์เพราะชาี่มีทุกขานี่มันไม่จําเป็นว่าจะต้องไปเดือดร้อนอะไรคือต้องเจ็บปวดอะไรแต่มันก็เป็นการเกิด นั่นก็ถือว่าเป็นทุกข์เพราะว่าเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแล้วก็รักษาสภาพเดิ ม, มไม่ได้ปรากฏชัดเจนเนี่ก็สองอย่างถูกแผดเผาหรือจะร่าวร้อนหรือไม่ร่าวร้อนก็ไม่รู้แต่ว่าสองอย่างเนี้มีรักษณะที่ชัดเจนขันห้ากลายเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นนําไปสู่ปัญหาสารพัดในโลกเนี่ยสรุปรวมแล้วก็มาจากขันนะฮะ ที่เราเริ่มเริ่มต้นที่ความเป็นอัตตาตัวตนคือตราบใดที่เรารู้สึกว่าเป็นอัตตาตัวตนอัตตามันขยายเขื่องขนาดไหนมันก็จะวุ่นวายขนาดนั้นเราจะเห็นว่าคนบางคนที่รู้สึกอัตตาตัวตนมันเครื่องมันใหญ่พวกนี้จะบริโภคใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติมาก จะใช้เงินทองใช้จำนวนคนกำลังคนกำลังทรัพย์การกินอยู่ในแต่ละวันเนี่ยมหาศาลบริโภคทรัยพยากรธรรมชาติไปอย่างมหาศาลเพราะอัตราตัวตนเขาใหญ่ก็นำไปสู่ปัญหาต่างๆเราจะเห็นว่าปัญหาศึกสงครามเนี่ยมาจากอัตราที่ใหญ่ทั้งนั้นเน่ยพูดงแหน่มาจากคนใหญ่คนโตทั้งนั้น ปฏิจจุชนุชฌาเราลองสังเกตว่าใครอะนองมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนี่ยมันเกิดมาจากกลุ่มบุคคลหรือตัวบุคคลหรือคณะบุคคลที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นใหญ่เป็นอัตราเป็นตัวเป็นตนที่สบประมาทดูถูกดูหมิ่นกันไม่ได้แต่ต้องกระทบอัตราตัวเองไม่ได้ เรามองดูถึงสงครามโลกสองครั้งมันก็มาจากอาัตาราตัวตนที่ใหญ่เรามองถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยในส่วนใดของโลกกรตางในกรณีที่เกิดเป็นปัญหาขึ้นมามันก็เกิดขึ้นจากกลุ่มบุคคลคณะบุคคลหรือตัวบุคคลที่รู้สึกว่าชั้นใหญ่ แล้วก็ค่อนไปทางมีความรู้สึกกว่าตัวเองจะเชี่ยงแท้อย่างยืนการทังที่บางอย่างมันชัดเจนมันบอกมันบอกการหมดเวลาที่จะดำรงสถานะตำแหน่งตรงนั้นเช่นตำแหน่งประธานาธิบดีส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะอยู่ระดับสองเทอมก็อย่างมากก็แปดปีหรือว่าสิบปีหรืออย่างมากก็สิบสองปี แล้วก็จบก็กลับคืนไปสู่สามัญแต่ว่าในขณะที่ท่านสูงสุดเนี่ยท่านรู้สึกว่าท่านสูงสุดเนี่ยตาท่านจะใหญ่แล้วก็มีความคิดความอ่านเป็นอันมากที่ไหลไปตามอานาจของกิเลสก็มีลักษณะเป็นเป็นผลิตการอย่างที่เราพูดถึงการผลิตการต่าง เพราะการทําความเข้าใจกันรู้จักขันห้าที่ชัดเจนเนี่ยเราเห็นว่าวิธีการตรงนี้ไม่ได้เหมือนกับวิธีการในอนัตตลกนัสูตรซึ่งพุทธะขนาเหมือนกันแต่ในที่นี้เป็นการสอนแก่พระทั่วไปแต่ในในอนัตในอนัตตลกนัสูตรเป็นการสอนแก่พระสุรบัญ เพื่อวิธีการที่แตกต่างกันแต่ก็มีเป้าหมายเหมือนกันเพื่อการลดละจางคลายของอุปาทานของกาหะทั้งสประการของอุปาทานทั้งสี่ประการพูดง่ายๆว่าเป็นการลดกิเลสเป็นการลดความยึดมั่งถือมัน่นด้วยอำนาจของตันหามานาทิชติที่เรียกกาหะสาม มันก็นําไปสู่นําไปสู่การเข้าถึงใจรักณเขาถึงความจริงตำกดของปัสยักณมันต้องเกิดรู้เห็นความจริงตำกดของปัสยรักเสียก่อนไอ้พวกกิเลสเนี่ยจึงจางคลายลงไปแม้ที่นี้ตรงให้ดูสามช่วง ดูกรพิสุทธิทั้งหลา ย, ยประการหนึ่งพิษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานะขันราะว่าขันอันเป็นที่ตั้งแห่งการยึดมั่นหรือมัน่นคำว่าขันก็เปลว่ากองอันนี้ก็แบ่งเป็นห้ากองหรือกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณในง่ายของความจริงที่แท้จริง เราเย็นว่าเรามองตามโครงสร้างของพัฒนาการทางจิตในเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแต่ถ้าเรากระจายให้ดีมันมันจะมีอยู่สีระดับระดับเนึนงมองเป็นเราเป็นเขาที่รุนแรงมีตัวตนที่จะต้องเข่งฆ่าทำลายล่างกันจนเกิดเกิดเป็นศึกสงครามล้างผาเผ่าพันธ์มนุษย์กันเลย เป็นามองในแบบมิกฉาสินญญีคือมองอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสัตว์ที่ตัวเองมีสิทธิทอันชอบธรรมจะไล่ล่าทำลายล้างก็กลายเป็นศึกสงครามในด้านต่างๆมีการกระทํำต่ออีกฝ่ายหนึ่งคล้ายๆกับฝ่ายหนึ่งไม่ใช่มนุษย์หัุโหดรุนแรงขาดความสํานึกรับผิดชอบทั้งในสิทธิการดํารงอยู่ของชีวิต สันติสุขสันติภาพสันติธรรมอะไรแต่ลรไม่รับผิดชอบหมดก็เรียกว่าเป็นมิสัญญีพแสดงอาการออกมาเป็นการรูปรูปของการเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนบุคคลอื่นเบียดเบียนเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นมีลักษณะขาดศาสตร์โครนเข้าหากันก็เพื่อนด้วยกันนะใครเพื่อนมากแล้วเพื่อนมากหรือเพื่อนน้อยเท่านั้นเอง ลักษณะเหล่านี้มันมันเลยกรอบของศีลธรรมกรอบของศีลธรรมเอาไม่อยู่วิธีการแก้ไขได้ก็คือแก้ไขด้วยมาตรการทางกฎหมายแล้วกฎหมายปกติมันทิ้แก้ไม่ได้มันแก้ด้วยประกาศกฎในการศึกประกาศภาวะฉุกเฉินก็เป็นการใช้กําลังเพื่อยุติความรุนแรง วิธีการเหล่านี้เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมในการใช้แต่ว่าในความเป็นสัตว์โลกเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนที่มีหน้าที่เขาก็ต้องใช้เพื่อยุติปัญหาไม่ให้ลามป่าออกไปแต่ทีนี้ถ้าเรามองระดับของไตสิกขาพอมาเข้าไตสิกขาเนี่ยเราจะเห็นว่าศีลก็คืองดเว้นจากการเบียดเบียนตัวเองและบุคคลอื่นจากศีลหยาบหยาบคือศีลห้าข้อแรกกันนะ การกดเว้นา ก, การเบียดเบียนตวเองและบุคคลอื่นหมายความว่าเราเคารพความเป็นตัวตนในแง่สมมุติบัญญัติน่ยมันก็มีตัวตนนเราเคารพความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นแล้วก็ไม่ล่วงละเมิดกันเราแสดงว่ามีความเป็นเราเป็นเขาแต่เคารพสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคุ้มครองกันอะไรกัน ทีนี้พอถึงระดับธรรมะเราจะเห็นว่าธรรมะมันมีความรู้สึกก็ก็กมีตัวตนนะฮะแต่ว่าเป็นเรากับพวกเราสิ่งทั้งหลายอ่ะมันเป็นของเรากับของพวกเราจิตใจก็จะเปลี่ยนเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอปปามารีมีการส่งครลอดนุกัลครอดการมีการดูแลกันพอถึงจุดของสมาธิมันก็จะมีลักษณะอย่างเดียวกันก็คือว่า มีความรู้สึกเป็นเรากับพวกเราแต่ว่ากระจายออกไปมากกว่าซึ่งอาจจะไปถึงสับปะชีวิตทั้งหลายแนวการแผ่เมตตาเนี่ยแต่พอถึงจุดหนึ่งที่เข้าถึงความจริงๆริรเนี่ยคือระดับความสมบูรณ์ของสีนสมาธิปัญญามันไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีตัวตนของเราเลย มันยกจิตขึ้นพ้นสมมติบัญญัติแต่ก็อยู่ท่ามกลางกระแสของโลกที่มีการสมมติกันอยู่เวลาต้องการสื่อสารติดต่อกับคนอื่นก็ใช้โลกกับภาษาโลกกันิรุตโลกกับสมัญญาโลกกับสมมติโลกสมมติอย่างไก็ว่ากันอย่างนั้นแต่ตัวเองไม่ยึดมั่นถือมัน่นเป็นการสำคัญว่ามองคนที่ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ด้วยเมตตากรุณาไอ้นี่คือจุดใหญ่ เพราะเราเจนว่าขันห้าตรงเนี้ยทรงสอนให้มองเพื่อขัดเกลาจิตไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเนี่ยยอมรับว่าสรรพชีวิตในโลกนี้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่จะตายด้วยกันแล้วก็มีความเอื้อถอนกันในฐานะผู้อาศัยโลกชั่วคราวแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปก็ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขเพราะมันก่อให้เกิดสันติธรรมขึ้นภายในจิต ที่จริงการมองจะมองแค่สามช่วงลรสาสังว่าภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานคันห้ารรอย่างใดเล่าภิกษุในธรรมในใ น, นี้พิจารณาเห็นว่าเห็นดังนี้ว่าอย่างนี้รูปอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้ความดับแห่งรูปรูปเนี่ยคือรูปปฏิตรูปโอสิ่งใดย่อมเสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยสิ่งนั้นเรียกว่ารูป เพราเราพูดง we right ่ายๆว่ารูปคือสิ่งที่เราสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วตัวตาหูจมูกลิ้นกายเองก็เป็นรูปเพียงหนึ่งแลนรูปก็คือสิ่งที่เราสัมผัสได้ด้วยประสาทห้าข้างต้นอะไรก็ตามจะยาวจะกลางจะละเอียดก็ไม่รู้ก็แล้วแต่เราจะเห็นว่ารถเนี่ยที่ยู่มันก็เป็นรูปแต่เราก็ไม่เห็นอะเรารู้ได้ได้ลิ้นแค่นั้นเองเสียงมันก็เป็นรูปแต่เราก็ไม่เห็นมันเรารู้ได้ด้วยประสาทหู กลิ่นและก็เป็นรูปแต่เราไม่สามารถรู้ได้โดยตาได้หูด้วยลิ้นแต่เรารู้ได้ด้วยจมูกเพราะนี้ถึงจุดหนึ่งทรงเรียกคําว่าอินรีแปลว่าเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนตาเป็นใหญ่ในการดูรูปหูเป็นใหญ่ในการฟังเสียงจมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรสกายเป็นใหญ่ในการถูกต้องเย็นรอดออนแขง็งแต่ว่าจิต ซึ่งเป็นนามะมันทําหน้าที่รู้อารมณ์รับอารมณ์รู้อารมณ์จําอารมณ์คิดอารมณ์จนถึงพัฒนาวความรู้ขึ้นไปในชั้นต่างๆจนมีความรู้ที่สมบูรณ์พ ร, รู้ที่สมบูรณ์ก็จะเกิดเข้าใจการใจขันห้าตาความเป็นจริงเพราะเราจะเห็นว่าการเกิดขึ้นของรูปเนี่ยอาศัยปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเช่นรูปกายของเราเนี่ยนะ ก็จะเห็นว่าเป็นการมองที่รูปร่างกายกอนเพราะต้องการถ่ายถอนเรื่องทิฏฐินะพวกพวกนี้คือเรียกว่าทิฏฐิจริตในความยึดมั่นถือมั่นว่าธรรมเนี่ยเป็นของเท่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผันเป็นเรื่องของความเห็นนะคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับพระ ก, กาพรหมที่ท่านเห็นว่าตัวตนของท่านนั้นเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผัน มีโพรมที่เป็นเครือสมาชิกอยู่27ท่านด้วยกันก็เข้าใจอย่างนั้นเพราะในการสอนให้ดูรูปก็เพื่อเข้าถึงความจริงของรูปว่ารูปมีแท้จริงแล้วเป็นองค์ประกอบร่วมของปัจจัยทั้งที่เป็นรูปธรรมและก็นามธรรมาแต่เรามองจากกระบวนการของปัจจัยการคือปฏิจจสมบัติเราจะเห็นว่ามันก็มีองค์ประกอบอยู่ตัวหลักเนี่ยคืออาวิชา กับสังขารพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือกิเลสกรรมก็จะพูดง่ายกว่าว่ากิเลสกรรมคือในความเป็นอวิชชาเนี่ยจับใดยังไม่บรรลุอรหัตท่านก็ยังเรียกว่าอาวิชชาอยู่ที่จริงมันอวิชามันก็จาง ๆ, ๆ, ๆ, ๆไปได้เรื่อ ย, อยนะฮะ คนที่จะดับอวิชชาได้มันก็ต้องเป็นพระอหันเพราะงั้นตราบใดที่ยังไม่รู้อรหันต์เป็นพระหัน์มันก็ยังมีการเวีทว่ายตาเกิดอยู่มันยังก่อให้เกิดรูปอยู่รูปจะหยาบจะกลางจะประณีจะไงก็ตามเช่นว่าพระนาคาเมีเนี่ยที่จริงรูปท่านประณีท่านเป็นพรมชั้นสุดภาวะเป็นรูปที่ประณีมากแต่ก็คือรูปเพราะงั้นเออเพราะอะไรเพราะว่าท่านยังดับอวิชชาไม่ได้ ท่านก็เรียกอย่างยังเรียกอวิชชาอยู่แล้วกรรมมันก็เป็นกุศลสูงขึ้นเพราะขึ้นถึงไประดับเป็นรูปฌานไปแล้วแต่พราะก็เป็นกรรมอ่ะเรียกเป็นกรรมอยู่เพราะงั้นก็นําไปสู่นามรูปทีนี้ น, นามนี่ยก็คือเนี่ยคืออวิชชากับสังขารเนี่ยมันสร้างขึ้นปฏิสนธิวิญญาณพราะนี้ก็เป็นนามธรรม มันก็นำไปสู่การเป็นรูปรูปมันก็เกิดขึ้นในกำเนิดทั้งสี่คือเกิดในขันเกิดในไข่เกิดในของสกปเกิดด้วยพูดเข้นพระรูปอย่างมนุษย์เนี่ยมันก็มาจากปัจจัยสองประการก็คือมารดามีรดูมารดาบิดาร่วมกันแล้วก็อันนี้องค์ประกอบร่วมที่เราเรียกว่าคันทรโพเนี่ย คือกิเลสกรรมแล้วก็สร้างขึ้นเป็นวิญญาณก็ไปสนฉิในสิ่งที่เป็นรูุประธรรมตัว น, นั้นก็เรียกระสมกันอย่างมีสัดส่วนก็ก่อให้เกิดเป็นรูปขึ้นเพราะในตัวนี้มันก็มีทั้งรูปทั้งนามก็กลายเป็นร่างกายเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นชีวิตขึ้นมาอย่างนี้สรุปรวมเรียกว่ารูปแต่ทีนี้เรามองว่าดูรูปบางอย่างนี่เช่นเช่นต้นไม้อย่างเงีย้งย ต้นไม้ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันก็อาศัยกฎของนิยามคืออาศัยธรรมนิยามอาศัยอุตุนิยามอาศัยพิจญญนิยามพิจญญนิยามทีนี้ต้นไม้บางประเภทเนี่ยมันก็มีจิตนิยามกรรมนิยามเข้าไปนะเช่นต้นไม้ในสวนต่างๆเนี่ยเขาก็ปลูกก็มีการพัฒนามีการต่อตามีมการใส่ปุ๋ยอะไรอะไรเข้าไปไอ้จิตที่มนุษย์คิดเนี่ยมันก็ให้เกิดการกระทํา เป็นการพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพของสิ่งเหล่านั้น<ม>เช่นว่าผิดผลต่อนหนึ่งไรขง่ของนาของข้าว<ม>ก็หนึ่งไร่แต่ว่าทํำยังไงอ่ะมันก็อุตุก็เป็นอย่างเนี้ยธรรมชาติมันก็เป็นอย่างเนี้ยพืชมันก็เป็นอย่างเนี้ยแล้วก็พยายามที่จะใช้จิตก็ใช้การกระทํำก็ใช้การวิจัยการศึกษาการค้นควา้าการพัฒนาพัานุข้าวขึ้นมา ทำให้ผิดผลต่อราก็สูงขึ้นเราเห็นว่าเลยโดยรูปเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากนิยามครบทั้งห้าประการแล้วอย่างหนึ่งมันก็เป็นปัจจัยภายนอกนะคือตั ว, ต, วตัวจิตนิยามกับตัวพืชไอต้ตั ว, ต, วตัวก ร, รรมนิยามเนี่ยมันเป็นมันมาจากปัจจัยข้างนอกมันไม่ใช่เป็นตัวพืชไม่ได้เกิดโดยลําพังพืชเองแต่ว่าในความเป็นคนเนี่ยเราจะเห็นว่า อิเลก็ดีกรรมกดีบิญยาณกดีมันก็เกิดขึ้นมาจากการกระทําของมนุษย์เองแต่ว่าในขณะเดียวกันก็อาศัยปัจจัยภายนอกคือสเปิร์มกับไข่เนี่ยเป็นเรื่องของพ่อแม่ก็สรุปว่าก็มีปัจจัยทั้งภายในภายนอกก่อเกิดรูปขึ้นมาทีนี้รูปเนี่ยมันก็ดับไปตามเหตุปัจจัยก็เป็นอาการที่เกิดดับ แล้วก็บางครั้งบางคราวเนี่ยมารูปที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วนะฮะที่เราสัมผัสในชีวิตประจําวันเราเห็นว่าที่มีตัวผลสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในจิตเราก็เกิดขึ้นจากจิตไปปรุงคิดคิ ด, คดปรุงขึ้นมาเป็นการกําหนดเป็นการประเมินค่าของสิ่งเหล่านั้นหรือว่ามองสิ่งเหล่านั้นในง่ายๆมันก็กลายเป็นปัญหาเรื่องอินทรีย์สมบัต คือขาดการสํารวมระหว่างอินทรีย์มันก็นําไปสู่ความยินดีนยินร้ายแต่ทีนี้รูปตัวนี้ถ้าเข้าถึงมันก็เหมือนกับเราเข้าใจว่าความตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาพอรูปมันตายรูปญาติพี่น้องอะไรก็ไม่รู้ก็ตายแล้วก็เข้าถึงธรรมดา <S <S เราก็ไม่โศกโศกเสียใจอะไรก็จากการทํางานศ่ไป ไม่กี่วันเราก็ตายเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าจริงๆพวกพวกนี้ยรูปเลยมันเป็น ก, กลางๆงเป็นอัพญากฤิคือเป็นกระบวนการที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติเขามันเนะี่ยปุจจ ա จรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นมันก็เป็นเข้ามาอย่างงั้นแนะหะปุจจ ա จรค้นพบความจริงส่ ง, งแสดงไว้ในธรรมนิยามมันสว่าตถาคตจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็าตาม สิ่งเนี้มันเป็นธรรมปฏิปิเป็นธรรมนิยามมันตั้งอยู่ตามธรรมดาของมันมันอยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติของมันไอ้ลูปทั้งหลายมันเกิดขึ้นตั้งแต่มันก็ดับทอนนั้นทีนี้ดับจริงๆมันก็ดับต่อเนื่องไงนะมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับก็ต่อกันไปก็เป็นกระแสไม่ว่าจะเป็นคนหรือจะเป็นสัตว์ก็ตามเราจะเห็นว่าก็มีส่วนหนึ่งที่ดับไป ที่ตาเรียกว่าคณิกมรณะคือตายอยู่ทุกขนะทีนี้ถ้าเรามองเห็นอย่างนี้ว่าเห็นว่าเป็นการ เ, เกิดขึ้นตั้งอยู่ระบไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบายจทียึดอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรที่ควรแก่การยึดมันม่นถึงมั่นแล้วไม่รู้จะยึดมั่นหรือมั่นไปทำไมดังวันก่อนรู้สึกจะ ที่ยี่สิบนะะก็ได้ฟังเด็กที่แกข่าพระที่วัดพรมประสิทธิ์แกก็สารภาพแกก็เล่าอะไรรทัดบางช่องก็ทำเบอบางช่องเขาก็ถ่ายตรงๆรงเพราะเด็กแกกระหรันกระท้าถ่ายแกก็เล่าทั้งหมดได้ฟังคือมันก็อยู่ในมิติการมอง เรยเนี่ว่าเราท้ามองเนี่ยเราถ้ามองโดยพื้นฐานของกระบวนธรรมะเนี่ยระหว่างผู้ฆ่ากับผู้ถูกฆ่าถ้าจิตเราเข้าถึงธรรมะเนี่ยเราเห็นว่าผู้ฆ่าเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารกว่าผู้ถูกฆ่าท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะผู้ถูกฆ่าเขาเพียงแต่ว่าตายเร็วขึ้นเพราะเขาต้องตายแน่นอนเพราะชีวิตมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดแก่ตาย แต่ว่าคนที่ฆ่าคนอื่นเนี่ยไม่ใช่เกิดมาเพื่อฆ่าคนเราเกิดมาเนี่ยเราต้องให้คำตอบแกตัวเองว่ามันต้องคุ้มค่าที่เกิดมาเป็นคนทีนี้พอฆ่าคนเนี่ยมันตอนที่เราเกิดเป็นคนเนี่ยภูมิจิตเราสูงขึ้นอ่ะี่เปล่าเกิดมาเป็นมนุษย์ก็กรหมายความใจมันสูงขึ้นทีนี้พอฆ่าคนเนี่ยจิตมันก็ต่า คุมจิตก็ต่ําพบที่จิตจะไปบาดต่อไปก็ต่ําเพราะนะวิชามันจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นกรรมมันจะเพิ่มเป็นบาปมากยิ่งขึ้นแล้วก็วิญญาณเนี่ยจะจะต่ําแล้วก็จะบังเกิดในที่อาบายนะพวกอาบายทั้งสี่นี้ยังใดอย่างหนึ่งนานเลยทีเนี้ยในขณะที่คนทุกฆ่าไปเกิดในสวรรค์ไปแล้วแต่เขาไม่เคยทําชั่วอะไรไว้เนี่ยก็ไปเกิดในสุคติไปแล้ว ผลตะลโมงในช่วงยาวเนี่ยคนผู้ฆ่าเป็นพู้ที่น่าสงสารมากกว่าผู้ถูกฆ่าแต่ในแง่สังคมเนี่ยมองยากนะแต่ในแง่ก็ธรรมะเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนก็มีมีเทวดาที่ท่านมองมองหลานชายของท่านที่ถูกเสียบไว้ด้วยเหล้าเนี่ยถูกลงโทษประกอบพิธีกรรมมาเยอะก็ถูกลงโทษได้เสียบด้วยเหลา้าแต่ท่านมองว่า แต่การตกเสียด้วยหลา่ามันก็ดีกว่าดีกว่าตายไปกพราตายไปนี่เธอต้องตกนรกห ม, มกไหมและรุนแรงมากทุกข์มันจะแรงมากอันนี้คือการมองตลอดทั้งกระบวนการของของการเกิดซึ่งเป็นเป็นกระบวนการของกิเลสกรรมวิบากเพราะาตัวตัววิบากมันจะแรงเพราะว่ากิเลสมันมันมันแรงแล้วกรรมมันจะเป็นบาปมากเพราะวิาวบากเนี่ย จะประสบความทุกข์มากทําให้เราเรามองเห็นชีวิตอย่างนี้ว่าตกลงว่ามันเกิดขึ้นจั้งอยู่แล้วก็ดับไปอะไรคือตัวตนหลักมันก็ต้องคิดอะไรคือตัวตนหล่ะมอ่อหาตัวตนไม่เจออย่างที่ทรงสอนไว้ให้มองรูปเหมือนกระฟองน้ําให้มองเวทนาเนี่ยเหมือนกรนะตอ้มน้ํา ให้มองสังขารมือนก็กอกล้วยให้มองไม่ใช่สัญญาเนะี่ยอย่างพยับแดดมองสังขารอย่างกอกล้วยแล้วก็มองวิญญาณอย่างภาพมายาทั้งหลายทั้งหมดไม่มีอะไรจริงทัก อ, อย่างฟองน้าก็ไม่จริงมันเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัเยเบื้อก็ดับละตอนน้ำจริงแล้วใหญ่เลยดับเร็วกว่าดับเร็วกว่าฟองน้ำทีนี้พยับแดดเนี่ย มันก็เกิดขึ้นจากปัจจัยที่เรามองเห็นมันเป็นรูปของพยับแดดก็ส่วนใหญ่ก็แดดต้องร้อนจัดแล้วเรามองไปเราก็อยู่กลางทุ่งกลางถนนแล้วก็มองไปไกลๆก็เห็นเป็นรูปพยับแดดแต่มันก็ไม่มีจริงพอรถเราไปถึงมันก็ห่างไประดับเดิมนั่นแหละอยู่เรื่อยๆตลงว่ามันไม่จริงพระการต่อไปเวทนา เวทนาี่แปลว่าความสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุขกข์ก็ตามไม่จะทุขขกข์ไม่สุกก็ตามก็อย่างที่พูดมาแล้วในเวทนาหนุกปัสนาสติปัฏฐานทีนีนตนต้ตัวเวทนาก็คือจิตที่สวยอารมณ์ตัวเวทนาเอ็นั้นเขาเรียกว่าเจตสิกนะสิ่งเกิดขึ้นปรุงแต่งจิตแล้วก็ตัวเขาเองก็เป็นจิตสังขารเป็นรัวปลนปลื้เป็ น, ป น, ปปนูตัวหล่อเลี้ยงจิตเอาไว้ เวทนามันเองมาเป็นกลางกลางแต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ที่เป็นเหตุให้มันเกิดเวทนาฟันเวทนาอาจจะเป็นสุ ก, ก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุ ก, ก็ได้แล้วก็มีรายละเอียดออกไปต่างๆอีกเป็นมาก เ, เวทนาจึงเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ย มันเกิดขึ้นจากอยายตนะภายในมามากระทบกันเกิดเป็นบิญญาณแล้วเกิดเป็นสัมผัสแล้วจากนั้นก็เกิดเป็นเวทน า, านเวทนามันก็เกิดขึ้นตลอดตลอดเวลานะตลอดเวลาจะสุขหรือทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขลนะองสังเกตดูจิตเวลาไหนก็ได้ดูกายเวลาไหนก็ได้ดูจะเกิดอากันมันเป็นกระบวนการที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็มีความต่อเนื่อง พยายามใดที่เราไม่เคยใส่ใจมันมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นอ่ะมันปวดอย่างที่มันปวดมันสุกอย่างที่มันสุกแต่เราไม่ใส่ใจมันก็ไม่มีอะไรทลายอ่ะแต่ส่วนใหญ่เราไปวุ่นกับมันเองไปเดือดร้อนกับมันเองไปรู้สึกว่าเอาเราเข้าไปเราปวดเราเจ็บเราเหนื่อยเราเมื่อยเราก็ยุ่มไปหมดแหละพอเราเข้าไปบวกมันยุ่งทุกทีอีะฝันเวทนามันจึงเป็นกระบวนการที่มีอยู่ แห่งโลกสัมผัสเนี่ยโดยธรรมชาติก็มันแต่การที่เป็นทุกข์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดจากจิตที่ยึดมั่นถือมัน่นแล้วก็สร้างปัญหาหยึดเยือ้อวันก่อนวันอาทิตย์ญาติโยมเข้ามาทิฏติก็สอบถามถึงว่าเหตุการบ้านเมืองในช่วง ก็กลางเดือนตั้งแต่กลางเดือนนะแต่ที่จริงก็ต้ น, ต, นต้นเดือนนะฮะฤจิกายนว่ามันมีความสับสนจะทำใจยังไงบอกว่าโยมมันก็อยู่ที่เราวินิจฉัยก็มูลข่าวสารแล้วก็สำคัญว่าข้อมูลข่าวสารนี่เราอย่าให้เปอร์เซ็นต์เขาทั้งร้อยมันต้องคิดอ่ะมันต้องเข้าใจในการคิดในการมองแล้วคนที่พูดที่เสนอข่าวสารนี่เราต้องมองอดีตเขย ว่าเขาเป็นใครอ่ะในปัจจุบันแล้วอดีตเนี่ยเขาเป็นใครก็มีพฤติกรรมยังไงแต่ให้ลองสังเกตว่าคนเราสวดมากแล้วไปไปรับเสียเต็มเปล่าเลยอย่างข่าวสังคมอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเกิดสุขบ้างเกิดทุกบ้างเกิดไม่ทุกไม่สุขบ้างแต่ถ้าเราบองว่าข่าวสังคมเนี่ยเป็นนามปากการวมไม่รู้ใครเขียนเราไปเชื่อก็ได้ไง ก็รับฟังอย่างหนึ่งท่นเองคือเป็นข้อมูลที่รับฟังอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นเข้าวันไหนเราก็เดือดร้อนเราก็วุ่นหาความสนงบใจไม่ได้แล้วก็นําไปสู่ทุกขเวทนาแห่งเวทนาเนี่ยมันจะเกิดดับด้วยเหตุปัจจัยของมันเกิดขึ้นต่างอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันเพราะฉนั้นก็รับสั่งว่าอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาอย่างนี้เป็นความดับแห่งเวทนา คือถ้าเราเข้าใจว่าเวทนาไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นเวทนาเวทนาไม่ใช่ตัวตนของเรามันก็ไม่มีอะไรไปจบสักแต่ว่าสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงมันอย่าลืมเมันสืบเนื่องมาจากอินทรีย์สงังวรสืบเนื่องมาจากโลกประสาทโลกสัมผัสแะหว่างอายตนาภายในภายนอกก็เป็นบิญญาณเป็นสัมผัสแล้วก็เป็นเวทนาถ้าเรายึดมั่นถึงมั่นก็เกิดเป็นทุกข์ ถ้าเราเฉยๆมันก็ไม่ทุกข์ไม่สุขอะไรถ้าเราปล่อยวางเราก็เป็นสุขแม้แต่สุขเวทนาที่หล่เสวยเนี่ยถ้าเราเข้าใจมันว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเราก็ไม่ไม่ไปเดือดร้อนเวลามันเปลี่ยนแปลงเพราะความเปลี่ยนแปลงคือ น, นิรันดร์ต่อไปก็ให้มองสัญญาสัญญาก็คือความจําได้หมายรู้ โบราณเนี่ยท่านแปลว่าความจําได้หมายรู้ปัจจุบันเราใช้คําว่าความจําเฉยๆก็เป็นคู่กับเวทนาเป็นเจตสิกธรรมเป็นจิตสังขารเหมือนกันคือตัวปรุงจิตเหมือนกันสัญญามันเกิด ข, ขึ้นมาจากอะไรเกิด ข, ขึ้นมาจากกระบวนการที่ต่อเ น, นื่องเราเห็นว่าอยายตนาภายในภายนอกมาปร ะ, ประกบกันแล้วเกิดเป็นวิญญาณและเกิดเป็นสัมผัส เราก็จําเราจําำสิ่งเหล่านั้นเอาไว้เสิ่งเนี้ยเราชอบเราไม่ชอบก็เป็นเหตุให้เกิดสุขเกิดทุกข์แล้วก็จําไว้พอจําไว้พอวันหลังเจออีกมันใกล้สัญญากล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นวินิจฉัยอารมณ์ที่เรากระทบอันนี้ไม่ดีอันนี้เคยด่าเราคนนี้เคยด่าเราเคยนี้คนนี้ก็ <S <S <S> เป็นการเอาอาดีตมามองปัจจุบันมันก็มองตามพื้นฐานที่เราเก็บเอาไว้ที น, นี้ถ้าถามว่าถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ข้อมูลที่เรารับรู้ไว้นั้นมันถูกต้องขนาดไหนเราเห็นว่าสัญญาเน้นำไปสู่การระลึกถึงสิ่งที่เราจำไว้ แล้วนำไปสู่การคิดแล้วก็นำไปสู่ความเห็นแล้วก็นำไปสู่การพูดใ น, ในการที่เราพูดอะไรต่างๆเนี่ยเราเห็นว่าถ้าฐานข้อมูลไม่แข็งนั่นก็พลาดได้ข้อมูลต่างๆที่มีการนำเสนอกันในบ้านในเมืองเรามีเยอะนะเราจะเห็นได้ชัดว่าข้อมูลเป็นอะมากาเนีคาดขค้ืน กาเ่อนกระดับของความเป็นิแล้วข้อที่สังคมจะต้องคิดก็คือว่าในโลกนี้ไม่มีใครรู้อะไรไปหมดทุกิ่ทุกอย่างไม่ใช่ว่าคนคนหนึ่งพูดได้ทุกเรื่องอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เพราะเรื่องแต่และเรื่องเนี่ยมันจะมี ป, ประวัติศาสตร์ของเขาเมีอดีตแล้วก็มีปัจจุบัน พนุนประกอบต่างๆแต่ละเรื่องถ้าเราไม่ชัดเจนพอเนี่ยเราไปพูดเนเพูดมก็คลาดเคลื่อนแสดงว่ามันเริ่มมาจากการรับรู้ครั้งแรกเนี๋ยมันผิดผิดเราจำไว้ทั้งๆที่มันผิดเนี่ยไม่ได้มีการวินิจฉัยตัดสินศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตใช้พูดตามที่จำมาเพราะตัวตัวความรู้เนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างในวิสุทธิมรรค ท่านเรียนไปสามะแบบระดับระดับหนึ่งเป็นรูปของสัญญาคือความจําตามรูปแบบต่างๆบางครั้งเนี่ยเราสับสนจนตัวมัธว่าเราอยู่ในพิธีสามัญของชาวบ้านสามัญธรรมดาก็<อ>คุ้นเคยกับพิติกรรมเหล่านี้ทีนี้บางทีมันเป็นพิธีทางราชการพิธีทางราชการส่วน ม, มากมันจะไปสาําคัญที่สุ จะลอกละเอียดราพิธีครับพิธีที่ตรงกันซึ่งก็ทั้งสองพิธีเนี่ยเป็นหลักที่เรียกว่าเป็นทางการแต่พิธีทั่วทั่วไปนั้นเราจะเห็นว่าก็ตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างก็แล้วแต่แต่ธาราพิธีเนี่ยก็จะลงตัวภาษาศาสนาพิธีที่เป็นรูปแบบของ กององค์การศาสนาทุนี้ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่องค์การศาสนาส่วนหนึ่งนะฮะอยู่ที่สมาคมพุทส่วนมันก็เป็นการรับรู้ที่แตกต่างกันและเราความคิดของเราซึ่งซึ่ ง, งรับรู้พฤติกรรมทางของของเอกชนนี่มาวินิจฉัยพฤติกรรมตรงนี้บางทีก็ผิดอะ ผิดไม่ใช่พฤติกรรมผิดแต่เราจํามาผิดเพรา ะ, ะต้องชัดเจนว่าอะไรตัวสถานะของสิ่งเหล่านี้ต้องชัดเจนว่าเขาคืออะไรแล้วมีสถานะยังไงมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายังไงแต่และเรื่องเนี่ยมันมันก็สําคัญว่าถ้าไม่รู้อย่าเชีย่ยที่เรายุ่งยุ่เนี่คือเราเราเชแล้วท่า ท, ที่เราไม่รู้ พอเราไม่รู้คิดมาแล้วชีพมันก็เกิดความสับสนว่าเล้กลายเป็นตาบอดจูงตาบอดที่พเจ้ารับสั่งว่าเมือนก็ตาบอดจูงให้ไปเป็นแถวเนี่ยเอวแถวทั้งปลายแถวเนี่ยมันไม่มีใครรู้เพราะแต่คนก็ตาบอดด้วยกันเพรา ะ, ะตัวสัญญาเนี่ยมันเป็นความรู้ระดับหนึ่งแต่ความรู้ทางประสาทสัมผัส แล้วระดับหนึ่งก็เิ็นวิญญาณจริงๆก็เป็นอาการทางประสาทสัมผัสแต่ก็เรียกรู้แจ้งขึ้นการรู้ที่ถือว่าชัดเจนเนี่ยเป็นความรู้ระดับญาณหรือปัญญาหรือวิชาคําเหล่าเนี้ยจะชัดเจนแต่ถ้าระดับสัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องของสังขารก็ขึ้นอยู่กับ อารมณ์ที่เราสัมผัสว่ามันมีความเป็นจริงที่เราเข้าถึงได้ขนาดไหนดังนั้นความความรู้ระดับสัญญาจึงไม่ใช่ข้อยุตินะฮะไม่ใช่ข้อยุติว่าเป็นความถูกต้องสมบูรณ์เปียงเป็นแต่เพียงข้อมูลประการหนึ่งเท่านั้นเองเราจะตัดสินสิน่งที่เราเห็นว่าเราได้ยินเนี่ยไม่ได้ เด้นเราดูภาพโทรทัศน์เนี่ยอาจรารย์เรภาพโทรทัศน์บางทีเนี่ยไม่พูดนะเพราะจริงๆเราเห็นเราไม่ได้ยินฮนะแต่เราคิดว่าเราได้ยินได้ยินก็การปรุงการการการสร น, นิยาเอาแล้วก็เสร็จแล้วก็ก็ื่งคิดปรุงปรุงคิดขึ้นไปก็ว่ากันไปเรื่อยๆเพราะในสัญญานี้มันก็คือกระบวนการกดังกลิ่าดังไปกล่าว ควาเกิดมาจากอยตนาภายในภายนอกแล้วก็รวมกันก็มากระทบกันก็เกิดเป็นวิญญาณแล้วกเกิดเป็นสัมผัสแล้วกเกิดเป็นเวทนาแล้วกเกิดเป็นสัญญาต่อไปก็ไปเรื่อยนะฮะสันเจตนาตัณหาวิตกวิจารก็ว่ากันไปเรื่อยเป็นกระบวนการยาวไปสัญญาจึงเป็นสังขารชนิดหนึ่งก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์เหมือนเดิมทีนี้ก็ ก็รับสั่งให้ดูนะฮะว่าอย่างนี้คือเกิดขึ้นแห่งสัญญาอย่างนี้คือความดับแห่งสัญญาสัญญาตามปกติแล้วเนี่ยมันจะดับเร็วเราลองสังเกตว่าความจำบางอย่างของเราเนี่ยถ้าเราขาดความต่อเนื่องนี่มันลืมเลยเพราะทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีการต่อเนื่องจึงจะจาได้แม่น ที่ตั้งแสดงว่าอาัตชาเมาลามันตามมนมีการไม่ท่องบุญเป็นบนทินหมายความว่าถ้าไม่ท่องบ่อยๆไม่สาธยายบ่อยๆไม่ดูบ่อยๆไม่พูดบ่อยๆไม่คิดบ่อยๆมันก็ลืมอ่ะเพราะเราเห็นว่าสัญญาณดับเนี่ยมันจะมีเยอะบางครั้งมันรูปของความคิดขึ้นมานึกว่าจะตอบได้เอา้ามันก็ตอบไม่ได้ซะละทีนี้ในกรใน ตอนต่อไปก็ทรงแสดงว่าเรสังขารเราเฉพาะสามอย่างก่อนนะรูปเวทนาสัญญาสังขารกับเวทนานะไม่ใช mm ่ hmm. สัญญากับเวทนาเนี่ยเป็นนามธรรมา mm hmm. เพราะในในขันหน้าที่เป็นรูปธรรมอย่างเดียวคือรูปรูปก็คือบางทีเราก็เรียกว่ากายนะกายก็จิตหรือรูปกับนามก็แล้วแต่จะเรียก พวนี้เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นหรือมั่นแล้วก็นําไปสู่ปัญหาต่างๆได้เยอะพระพระเจ้าจึงทรงสอนให้เราทําความเข้าใจเราทําความรู้จักกับตัวเองก็ฟังลองสัลงลเกตนะฮะว่าหลักการศึกษาในพุทธศาสนาะเรียนรู้ข้าวหาข้างในก่อนแล้วสะท้อนออกไปข้างนอกจึงกลายเป็นความขัดแยง้ง การศึกษาปัจจุบันเนี่ยเราเรียนจากข้างนอกเราก็จริงไม่รู้ข้างในแต่การสังเกตวัาเด็กตอบปัญหาถ้าเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยมันก็ตอบไม่ค่อยได้แต่เกี่ยวก็ต่างชาติเนี่ยจะแม่เพราะที่จึงกระทรวงศึกษาธิการจะต้องทบทวนนะฮะเรื่องเหล่านี้ว่าการศึกษาอย่างนี้มันได้อะไรไปรู้เรื่องคนอื่นทั้งหมดเลย ในเรื่องข้างในตัวเองเนี่ยไม่รู้ที่จริงการนึกษาเนี่ยก็คือการพัฒนาขันห้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดยังไงก็ตามที่จริงมืออยู่ในกรอบของการพัฒนาขันห้าให้มีศักยภาพสูงที่จะใช้ไปปฏิบัติภารกิจการงานแล้วฟังเท่าไหร่เสียงทําจากหม่างไทยศรีปฐุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรในธรรมต้งมีแต่ท่านผู้ฝังทลายโดยทั่วกันสวัสดี